เป็นพรวันนี้เป็นวันสาตจีนแล้วก็เป็นวันพระวันพระใหญ่เข้าวรรษามาแล้วหนึ่งเดือนแปบ๊บเดียวเองนะเวลาผ่านไปรเร็วมากวันสาตจีนวันาศาตจีนมีใครคนจีนบ้างเนี่ง แล้วได้ไหว้มันประบระแล้วจ้ะคนไทยก็ไปไหว้ตอนวันศาสไทยวันศาสไทยก็สิ้นเดือนสิบเป็นวันที่เรามาระลึกถึงบุปการีของเราที่ได้ร่วงลับไปแล้วนี่เป็นประเพณีของชาวตะวันออกฝรั่งมีไหมศาสตรฝรั่งมีไหม อาตมาไม่แน่ใจนะแต่ของอินเดียของจีนของไทยมีทำบุญถึงภุทิศให้กับบรรพบุรุษอย่างศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของอินเดียเนะี่ยกขาทำกันที่เมืองขยาเขาเรียกขยาศาสตร์เขาเลี้ยงเลี้ยงด้วยขนมเป็นข้าวคลุกด้วยน้ำอ้อยพวกนี้นะ คนไทยก็มาทเป็นกรยาศาสตร์ที่มากว่าคาว่ากระยาศาสตร์มันเพี้ยนมาจากขยาศาสตร์เป็นอาหารที่เขาเลี้ยงพราหมณ์เลี้ยงคนเพื่ออุทิศให้กับพ่อแม่ที่เขาตายไปแนละ้วส่วนคนจีนภูบาอาจารย์เคยเล่าธัรมาว่าสนุกดีโยมจะสนุกร้บยเปล่าไม่รู้นะ บอกว่าคนจีนไม่ได้ทําขยาศาสตร์ไม่ทําขยศาสตร์ทาเป็นขนมสมเทียนขนมเทียนขนมเข็งต้องทําให้เหนียวเหนียวเคยได้ยินไหมต้องทําให้เหนียวเหนียวทำไมต้องเหนียวเพื่อให้เจ้ากินไปแล้วพูดไม่ออก <laughs> <laughs> เหตุผลทําไมต้องให้พูดไม่ออกเพราะว่าเทพเนี่ย เทพของคนจีนเนี่ยจะมีคล้ายๆเทพอินเดียนะเทพอักคีเทพอินเดียเนี่ยเทพอักคีก็อยู่ในตามเตาไฟเตาไฟออยู่ในไหนอ่ะในครัวพวกแม่บ้านแม่ครัวเวลามีงานเขาก็อยู่ในครัวเป็นจุดส่ว ร, รวมของข่าวและเป็นที่ที่จะพลังเผอพูด ว่าจีทุจริตนินทานินทาคนในบ้านนินทาสามีนินทาพ่อแม่เนี่ยนะก็กลายเป็นจุดที่ทำให้แม่ครัวทั้งหลายเนี่ยทายัางไงดีที่จะไม่ให้เทพเนี่ยเอาข่าวที่เราพูดไม่ดีเนี่ยไปบอกกับเงกเสียนฮ่องเต้ช <c oughs> ฉะนั้นเราก็ทำขนมไหว้เจ้าให้มันเหนียวเหนียวพอเจ้ากินไปแล้วก็ ติดติดฟันพองเงี้ยสีน้องเต้ถามเป็นไงบ้านนี้เป็นไงบ้างไม่กล้าอาปากก็หนมเทียนติดฟันอยู่เป็นอันว่าปิดปากเทพได้เลยก็ <l ug> นมหนมเหนียวเหนียวอันนี้เป็นเกร็ดไม่รู้เทพเทพคงไม่กินเหนียวเหนียวแล้วติดฟันแล้วนะเพราะก็จะกินอาหารที่อันนี้เป็น เป็นเทคนิคในการหลอกเจ้าเฉยๆเทพแต่ละที่ก็หรือว่าวิญญาณบนพระบรุแต่ละที่ ก, ก็ต้องการบุญคนละแบบแล้วแต่แล้วแต่ท้องถิ่นมีโยมคนหนึ่งก็ไปอเมริกาผีอเมริกาวันนี้จริงๆเป็นวันปล่อยผีเนะี่ยวันปล่อยผีมารับ มารับบุญจากลูกหลานผีอเมริกาเนี่ยจะเล่าดีั้มมันจะทำให้งงง่ายรึเปล่าเป็ น, เ ป, นเป็นอันว่าโยมเขาเล่าให้ฟังนะโยมเขเล่าให้ฟังเขาไปอเมริกาไปนอนโรงแรมไปนอนโรงแรมแล้วเจอผีฝรั่งมากวนผีฝรั่งมาถ้าเราเจอผีทำไงสวดมนต์สวดมนต์ ผีก็หลังมารู้จักกลัวก็ไม่กลัวรับบุญก็ไม่รับ <laughs> ไม่รู้จักทำไงดนงีนั่งสมาธิให้ น, นั่งสมาธิงั้นให้นั่งสมาธิให้แบ่งบุญชั้นยอดเลยนะนั่งสมาธิคนนี้เ ก, ก็นั่งสมาธิเก็บแบ่งให้ไม่เอาไม่รู้จักทำไงดีนั้นต่อรอง <laughs> อมีต่อรองกับผีนะ <laughs> เอาอย่างงี้ บุญแต่ละอย่างฉันให้แกไม่รู้จักเลยเ้านึกถึงว่าฝรั่งมันทำบุญอะไรกันก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำบุญกับสถานสงเคราะห์แล้วแบ่งแบ่งบุญนี้ให้นะเอาเออเอาดังนั้นเราจะทำบุญให้ใครเนี่ยต้องทำที่เขาคุ้นเคยที่เขารู้จักและคุ้นเคย ผีบางตัวคอนเซอร์เวชีตผีคอนเซอร์เวชีต้องกรวดน้ําให้เราต้องกรวดเหมือนกันนะบางทีเราบอกครูบาอาจารย์บอกว่าอุทิศให้ด้วยใจได้ถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยนะแต่ผีคอนเซอร์เวชีตบอกไม่ได้ต้องกรวดน้ําให้ด้วยเอต้องกรวดเอาใจก็นหน่อยเขารู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนตอะไรเงี้ยผีผีบอกว่าต้องเผากระดาษเงินกระดาษทองก็ต้องเผาให้เขาด้วย แล้วแต่ว่าเขาจะคนสเวทีขนาดไหนเ็เลกเอาใจเขาหน่อยแต่ถ้าเราไปเป็นผีเองเราก็คงไม่ต้องขนาดนั้นแล้วเข้าใจแล้วเราก็คงไม่เป็นผีเล็กผีน้อยไปคอยเก็บบุญคนอื่นมากินเราสร้างบุญของเราเองตอนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่จะสร้างบุญที่ไม่ต้องไปพึ่งลูกหลานภรูบาอาจารย์บอกว่าลูกหลานเนี่ยนะต่อไปเนี่ยมันจะพึ่งไม่ได้แ อย่าว่าจะตายแล้วมันจะทำบุญให้เลยแค่เป็นๆอยู่มันยังไม่เลี้ยงเลยแต่โยมยังพอมีบุญถึงว่างดูดูหน้าตาแล้วลูกหลานยังพอเลี้ยงได้บะแต่รุนรุนเนี่ยนะลำบากเพราะว่าสังคมจะจะอยู่ลำบากมากขึ้นชีวิตมันจะหากินยากขึ้นเลี้ยงครอบครัวก็เลี้ยงยากขึ้น มันก็เลยจะต้องเลือกเลี้ยงในส่วนที่เขาเห็นว่ามีประโยชน์ <c oughs> อันไหนที่เริ่มประโยชน์น้อยก็ก็ตัดออกเหมือนใบไม้เหมือนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยไหนมันไม่มีประโยชน์มันก็สลัดกิ่งออกคนแก่แล้วมันก็ลูกหลานก็พยายามจะสลัดออกเตรียมใจไว้นะเตรียมใจในที่นี้ไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้ขู่แต่ว่าเราจะต้องมั่นใจ ในบุญของเราเองมั่นใจในแนวทางดำเนินของเราว่าเราไม่ต้องการบุญที่คนอื่นเขา้าทิดให้เรามีของเราเต็มบริบูรณ์ของเราแล้วมั่นใจแล้วชีวิตจะมีทุกได้แต่ทุกทางกายเท่านั้นไม่กระเทือนถึงใจมีใจมั่นคงหนักแน่นพออ่ะนี่เริ่มต้นเก่น เกลิ่นในเรื่องของศาสจีนต่อไปเป็นการเกลิ่นในเรื่องของวันพระยังเกลิ่นอยู่นะยังไม่เข้าเนื้อเรื่องวันพระวันนี้วันอะไรวันโกนป่านไปแล้วเมื่อวานวันพระใหญ่สังเกตที่หัวพระได้วันพระอย่างนี้เนี่ยออ่ถ้าครบเดือนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะโกนหัวกันทุกวัดมีบางวัดที่จะ โกนทุกสิบห้าวันบางวัดก็โกนทุกเดือนอย่างอันเนี้ยเป็นวันครบรอบเดือนที่ทุกวัดจะต้องโกรต้องโกนต้องโกนผมวันนี้จึงเป็นวันที่พระดูหน้าเลื่อมใสเลื่อมไหมเลื่อมใสไหมใสหน้าเลื่อมใสเป็นพิเศษบางคนเห็นแล้วก็ผ่องใส บางคนเห็นแล้วก็จิตไม่เป็นกุศลมีครั้งหนึ่งตั้งใจก็แล้วกันมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลวันโกนมันใหม่ๆอย่างเงี้ยนะภาษารีบุตรรู้จักภาษารีบุตรไหมล้วคนมาฟังทำไม่รู้จักภาษารีบุตรนี่ก็ลําบากละภาษารีบุตรเนี่ยโกนผมไม่ใหม่ใสๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไป น, นั่ง นั่งเข้าสมาบัติที่ที่ที่ไหนจําไม่ได้ละแต่เป็นกลางคืนวันพระจันทร์เต็มดวงประมาณนี้เลยประมาณวันวันพระใหญ่ใหญ่ใอย่างนี้เลยวันพระจันทร์เต็มดวงแสงก็สะท้อนศีรษะท่านเปล่งประกายยักษ์สองตนไปประชุมไปประชุมสภายักษ์สภายักษ์ อยู่แถวไหนไม่ทราบแต่เวลาห อ, อกกลับมาเนี่ยจะผ่านตรงที่พระโมคคัลลาภาษาริบุตรท่านอยู่ด้วยกันสององค์นะพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรเนี่ย น, นั่งพระโมคคัลลาเนี่ยนั่งเฉยเฉยไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้เข้าสมาบัติแต่ภาษาริบุตรเนี่ยนั่งเข้าสมาบัติอยู่บอกศีรษะของท่านเนี่ยมันสะท้อนแสงพระจันทร์แล้วมันโดนตายักตัวนึง ย, ยักยักได้เป็นตัวแล้วตนตนตนะ รักยักษ์ตนยักษ์ตนนั้นเนี่ยในอดีตชาติเคยแค้นเคยแค้นผูกโกรธไว้กับภาษารีบุตรในอดีตชาติความแค้นมันแค้นข้ามชาติแค้นข้ามชาติบินไม่ใช่บินเหาะยักษ์เหาะยักษ์เหาะมาผ่านมาเห็นแสงสะท้อนศีรษนท่านแล้ว เกิดจิตอกุศลคือสัญญาเก่ามันกระตุ้นเตือนขึ้นมาถึงความแค้นตัวเองก็ไม่เข้าใจทําไมเห็นแล้วมันอยากตีหัว <c oughs> อยากตีหัวพระองค์นี้มากมันแถวนี้คงไม่มีนะ <c oughs> อยากตีหัวพระเห็นพระใสๆเหม่งๆอย่งนี้หน้าตีมากเลย <c oughs> บอกกับเพื่อนเฮ้ย hey, ดูสิเหม่งๆอย่างนี้หน้าตีนะยากมีกระบองนะ ห น, หน้าตีหน้าฟาดมากเพื่อนบอกเฮ้ยนําหัวพระนอะอย่าไปตีไม่ชชดสาหรับที่สำหรับตีที่สำหรับไหว้แกไปตีทำไมจะไปตีทาไมนึกจะไปตีทำไมเตือนเพื่อนไม่ฟังบอกไม่รู้สิหน้าตีอดใจไม่ได้เ็าเรียกว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมารู้ไม่ทันถูกมันครอบงำบงการให้กระทําพฤติกรรม ในต่างทบาบาปเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่เคยเจริญสติถ้ามานั่งอย่างนี้ถ้าไปเป็นยักษ์ก็คงได้สติกิเลสเกิดไอ้ยักษ์ตัวนี้ไม่เคยเจริญสติโกรธขึ้นมาจริงก็ไม่มีสาเหตุอะไรนะแค่เห็นแล้วมันกระตุ้นเตือนถึงอดีตแล้วก็อยากจะตีตกลงตีตีด้วยแรงท่านบรรยายว่า ตีด้วยแรงขนาดตีช้างและจมดินได้แต่ตีระษาริบุตรตอนนั้นเนี่ยท่านกําลังเข้าสมาบัติขณะเข้าสมาบัติเนี่ยจะเป็นขณะที่จะไม่ค่อยกระเทือนอะไรง่ายขณะที่เรียกว่าตีด้วยแรงอย่างนั้นเนี่ยหัวท่านจะโน่กนิดหนึ่งนิดเดียว อตีเสจกรรมที่ยักษ์ตนนั้นทํามันเปิดเปิดโลกใหม่ให้สว่างจ้าแต่สว่างด้วยไฟไฟของนรกทั้งสว่างทั้งร้อนแลบแลมแลมเลียร่างของยักษ์นั้นทั้งท่าที่เหาะอยู่นั่นนะดูดลงไปสู่อเวจีสนุกทีเดียว ต้องทนทุกข์ในโอเอจีอีกนานพระโมคคัลลานะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตาทิพย์ก็เข้าไปหาภาษาญิบุตรภาษาญิบุตก็ออกจากสมาบัตพอดีก็ไปถามท่านเวลาพระอรหันต์ถามกันก็ถามว่าท่านยังทุกข์พอทนได้อยู่หรือเ <c oughs> มื่อสครูนี้เนี่ย ยักษ์มาตีหัวท่านท่านไม่กระเทือนเลยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างมากท่านทุกพอทนได้อยู่ไหมภ <c oughs> าษาญีบุนบอกผมรู้สึกรู้สึกเจ็บนิดหน่อยที่หัวเท่านั้นเองแต่ท่านก็เก่งนะสามารถเห็นได้ว่ามียักษ์มาตีหัวผมฝากตั้งคุยกันอีก ที่นั่นเนี่ยถ้ามีพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะอยู่เนี่ยท่านบรรยายาว่ามันสว่างรุ่งเรืองเหมือนกับมีพระอาทิตย์สองดวงอยู่ในวัดแห่งนั้นคำสนทนาของท่านเนี่ยได้ยินไปถึงหูของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ยินพระเถระสององคุยกันท่านก็ส่งเสียงมาคุยด้วยแต่เป็นพุทธพจน์ที่ไม่ใช่สอน เพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์กัหมดแล้วนะก็เพียงขอขอเติมธรรมะเข้าไปหน่อยในบทสนทนาท่นบอกว่าใจที่ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วไม่หวั่นไหวในเรื่องที่น่าพอใจคือไม่ยินดีในเรื่องที่น่าพอใจไม่ยินร้ายในเรื่องที่ไม่น่าพอใจมีจิตที่มั่นคงย่อมไม่เป็นทุกข์ เหมือนภูเขาหินแท่งทึบไม่ไม่วันไหวต่อลมที่มาทางซ้ายทางขวาไม่วันไหวเรียกว่าจิตที่มั่นคงจิตที่มั่นคงนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกเราจะได้ไม่โอนเองไปกับสิ่งที่มาทางซ้ายมาทางขวาสิ่งที่มาทางซ้ายทางขวาก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่น่าพอใจพัดมาแล้วก็ไว้โอนเอง สิ่งที่ไม่น่าพอใจพัดมาแล้วก็ไหวโอนเองอย่างนี้เรียกว่าเราไม่มั่นคงแต่จะบังคับให้มันมั่นคงก็ไม่ได้ฝึกเตาต้องฝึกเตาฝึกทีแรกแรกเลยก็คือฝึกรู้ทีนี้วันนี้จะมาลองแจกแจงเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความรู้ ที่คนเรามีเนี่ยมีรู้แบบไหนบ้างรู้แบบแรกเป็นคนทั่วไปที่รู้กันคือรู้เรื่องราวต่างๆเป็นภาษาเวลาเรารู้เนี่ยจะคุ้นเคยกับรู้แล้วเป็นภาษาเป็นคำพูดพูดขึ้นมาใน ใ, นใจรู้มือรู้ไม้รู้นาฬิกาขาก่อนมาเนี่ยขอสารภาพตื่นเต้น ตื่นเต้นมากที่ได้ได้มาบรรยายที่นี่ไม่ได้มองอะไรรอบๆล่ะกลัวไม่เห็นหลักนาฬิกาอยู่นี้นะบรรยายไปกี่โมงแล้วเนาะหาหานาฬิกาตามวัดเนี่ยนะเคยเห็นไปตามวัดนะจะมีนาฬิกาห้อยๆนะตามเสาที่นี่ไม่มีนาฬิกามีแต่พัดลมล้วก็บรรยายไปกี่โมงแล้วกนะ็ไม่รู้จบๆเอาแบบกะกะพอพอจะเลิกเหลือมาดูอ่าวอยู่นี่เองเวลาคน ทั่วไปเห็นสิ่งของเห็นพัดลมเห็นไฟมันจะกลายเป็นนี้ไปเลยเรียกว่าเห็นสมมุติบัญญัติรู้สมมุติบัญญัติรู้ไปตามวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความคิดนึกในใจรู้ทั่วๆไปอย่างนี้เรียกว่ารู้แบบปุถุชนทั่วๆไปไอ้พวกไม่รู้คือหลง หลงอันนี้เราไม่พูดถึงเราจะพูดถึงเรื่องรู้รู้อีกแบบหนึ่งไม่ใช่รู้สมมุติบัญญัติเขาเรียกว่ารู้ปรมัตดปรมัตดกับสมมติบัญญัติเนี่ยเรียกว่าเป็นความจริงทั้งคู่สับทั้งพระเรียกว่าสมมุติสัจจะกับปรมัดสัจจ์เคยได้ยินคำนี้ั้มสมมติสัจจะกับปรมัดสัจจะ ถ้าพูดเต็มอย่างนี้คือสมมุติสัจจะกับปรมาสัจจะเนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นแต่ถ้าพูดสั้นๆว่าสมมุติเราจะนึกว่าสมมุติเนี่ยจะไปคู่กับวิมุติซึ่งคนละชุดกันเลยเป็นธรรมะคนละชุดเอามาเอามาเรียนคู่กันยากจะทําให้งงถ้าเรียกเต็มๆว่าสมมุติสัจจะประมาสัจจะเราจะรู้เลยว่าคําร่วมก็คือสัจจะคือความจริง ความจริงในโลกนี้มีสองแบบแบบสมมุติกับแบบปรมัติแบบสมมุติก็คือสมมุติเป็นการออกเสียงแบบไทยถ้าออกเสียงแบบบาลีต้องออกสัมมติสัจจสัมมติแต่คนไทยคงจะออกเสียงยากหรือไงไม่รู้นะกลายเป็นสมมุติกลายมีสระอุ ป, ปนเข้ามาศัพท์จริงๆสัมมติสัมมติ มติแปลว่าความเห็นสัมมติแปลว่าความเห็นร่วมกันความเห็นร่วมกันอย่างอย่างเนี้ยอันนี้เราเห็นร่วมกันว่าควรจะเรียกอันนี้ว่าแว่นอันนี้ลงเรียกว่าอะไรไมโครโฟนไม่มีใครเรียกอันนี้ว่าลำโพงใช่ไหมถ้าเรียกว่าลำโพงอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมอันนี้เรียกว่าดอกไม้อันนี้เรียกว่าโต๊ะเรียก ตามสัมมติคือมติร่วมกันคนไทยเคยยกตัวอย่างคนไทยเรียกนี้ว่ามือคนฝรั่งเรียกนี้ว่าแฮนด์คนจีนซิวและชิวชิวชหมแต่ถ้าคนอื่นอินเดียอาจจะเรียกอีแบบหนึง่งหัดถะอย่างนี้เรียกว่าสมมุติถ้าเห็นนี้เรียกว่ามือ เรียกว่าสมมุติแล้วอะไรเป็นปรมัตดปรมัตดคือสิ่งที่ปลอดจากภาษาปลอดจากการสมมุติร่วมกันคือรู้ไปตามจริงว่าถ้าตาเห็นเนี่ยเห็นอะไรตาจริงๆเห็นไม่ได้เห็นมือมือนี่เป็นสิ่งที่เราคิดสรุปรวบยอดอยู่ในใจ สิ่งที่ตาเห็นจริงๆแล้วเป็นด เ, เป็นเพียงแสงและสีที่ปรากฏถ้าโยมเฉยโยมดูเนี่ยมันก็เป็นสีมีสีอ่อนสีแก่ตัดกันไม่ให้ดูลายมือนะให้ดูว่ามีสีสีที่ตัดกันประกอบด้วยแสงสว่างมากสว่างน้อยไม่เท่ากันถ้าเห็นว่าเป็นแสงและสีอย่างนี้เรียกว่าเห็น ปรมัดเป็นปรามัตดด้านรูปรูปปรมัตดที่ปรากฏทางตาเป็นแสงและสีอะไรที่เข้าหูเป็นคําชมคําด่าคำบรรยายอะไรหูจริงๆได้ฟังแต่เสียงเสียงเสียงแหลมเสียงทุม้มเสียงดังเสียงเบาเสียงที่เข้าหูแล้วใจไปสรุปกลายเป็นความเข้าใจเป็นคําพูดอยู่ในใจ สิ่งที่มาสัมผั ส, ผสกายสัมผัสกายเนะี่ยจะมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหวานที่สัมผัสทางกายเลยนะอย่างข้าวกอนข้าวก น, กนเคยให้ลองจับใช่ไหมว่ามันมีแข็งมีนิ่มคือมีมีอ่อนมีแข็งอ่อนแข็งเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุดินเนี่ยเป็นปรมัตด้านรูปอีกแบบหนึ่ง ที่มันเย็นมันร้อนนั่นคือธาตุไฟธาตุไฟลองจับดูจับมือกับจับน้านคอธาตุไฟไม่เท่ากันมือนี้กับคอนี้ไม่เท่ากันตรงไหนธ า, า, าตุไฟมากกว่ากันคอธาตุไฟมากกว่าอย่างนี้ถ้าเห็นว่าเป็นธาตุไฟมีมากมีน้อยอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าเห็นธาตุเห็นปรมาณ ที่เป็นาธาตุไฟจะรู้าธาตุไฟรู้ได้ด้วยกายรู้ได้ด้วยกายใช่กายสัมผัสอย่างนี้อันนี้เป็นปรมัติศข้อเดียวนะรูปปรมัติศปรมัติศเนี่ยมีอยู่สี่อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานสี่อย่างใครเคยเรียนอภิธรรมมั้งเรียนใช่ไหมปรมัทิศสี่อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพาน ที่บรรยายเมื่อกี้นี้เป็นเพียงเรื่องในส่วนของรูปเท่านั้นเองในส่วนของนามธรรมา ท, ที่เราจะดูดูได้นิพานเรายังไม่ต้องดูเพราะยังดูไม่ได้เชื่อว่าส่วนใหญ่ยังยังไม่ดูไม่ได้บางคนดูได้ก็ อ, อ่านุโมทนาแต่ที่เราจะดูในด้านของนามธรรมาก็คือจิตกับเจตสิกจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นส่วนที่จะรู้ได้ ด้วยใจนะเวลาคนทั่วไปจะฝึกดูจะยังแยกไม่ได้ระหว่างจิตกับเจตสิกให้รู้รวบไปก่อนรู้รวบไปก่อนอย่างที่พระพเจ้าแนะให้ดนะูท่านแนะให้ดูอะไรเวลาท่านให้ฝึกสติปัฏฐานสี่ให้ดูกายเวทนาจิตธรรมในส่วนจิตท่านให้ดูจิตเปล่าเปล่าไหมถ้า ถ้าจิตในเรื่องของปรามัตดเนี่ยนะมันจะมีอยู่จิตกับเจตสิกใช่ไหมท่านไม่ได้ให้ดูจิตในในแง่ของปรมัตดที่แยกแล้วแต่ท่านให้ดูจิตในส่วนที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจว่าจิตมันมีรวมกันระหว่างจิตและเจตสิกจิตและเจติตและเจตสิกเนี่ยคนทั่วไปคนไทยก็เรียกว่าใจก็คือดูใจคนอินเดียในยุคนั้นแคว้นมาโคดแคว้นไหนล่ะในยุคนั้นในชมพูทวีปเขาก็เรียกว่าจิต ไอ้ที่มารวมกันแล้วเนี่ยเรียกง่ายๆว่าจิตจิตนี้มันมีทั้งความรู้และอาการของมันพร้อมอยู่ในนั้นถ้าจะแยกก็จะเป็นตัวรู้อย่างเดียวและอาการคือจิตเป็นตัวรู้อาการต่างๆนี่เป็นเจตสิกแต่ตอนที่ท่านอธิบายในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานสี่ในส่วนของจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านไม่ได้ให้ดูจิตอย่างเดียว ท่านให้ดูพร้อมกันไปเพราะสภาพคุณภาพสติของเราเนี่ยยังไม่สามารถแยกได้ว่าจิตแท้ๆเป็นยังไงน่าเจตสิกล้วนๆเป็นยังไงให้ดูรวบกันไปก่อนเหมือนคุณภาพยังไม่พอยังไม่ต้องไปทํางานละเอียดทํางานหยาบๆก่อนที่มันอยู่เกิดร่วมกันมีอะไรบ้างจิตที่มันมีราคะ จิตมันมีราคะถ้าเราไปดูว่าจิตอย่างหนึ่งราคะอย่างหนึ่งเนี่ยดูยากดูลำบากดูรวบไปก่อนจิตขนาดนี้มีราคะจิตขนาดนี้ไม่มีราคะใช้ได้จิตขนาดนี้มีโทสะจิตขนาดนี้ไม่มีโทสะดูรวบไปก่อนใช้ได้จิตในที่นี้ที่ท่านพูดถึงเนี่ยเป็นจิตถ้าตรงกับปรมัตถ์ก็คือจิตและเจตสิกรวมกันอยู่ ดันั้นไม่ต้องกังวลว่าฉันยังไม่เห็นจิตดูอย่างนี้แหละชื่อว่าใช่แล้วใช่ตามสติปัฏฐานสี่ในส่วนของจิตตานุปัสนาดูอย่างนี้เห็นเป็นขณะขณะไปเห็นเป็นทีละอย่างทีละอย่างเห็นกายบ้างเห็นจิตบ้างเห็นกายบ้างเห็นจิตบ้างอย่างนี้เรียกว่ารู้อย่างมีสติคือรู้สภาวะแต่ละขณะแต่ละขณะ ตอนรู้สภาวะแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันจะไปเห็นลักษณะต่างๆของสภาวะนั้นที่ครูบาอาจารย์จริงๆท่านก็เอามาจากในอภิธรรมนั่นเองคือไปเห็นวิเสสลักษณะยากไปไหมเนี่ยไม่ยากนะชักจะมีสั์หลายสับมาแล้วมีตั้งแต่อะไรสมมุติกับปรามาตัตดแล้วนะแยกออกแล้วใช่ไหมสมมุติกับปรามาตัตดเป็นความจริงทั้งคู่ ไม่ใช่ปฏิเสธสมมุตินะไม่ได้ปฏิเสธสมมติเราอยู่กับโลกก็ต้องรู้สมมุติเลยนะเจอไฟแดงต้องหยุดเจอไฟเขียวต้องไปเจอไฟเหลืองต้องรีบรีบหน่อยเจอจะว่าเจอตำรวจมันจะฟึ่งเลยนะอ่ะคือต้องรู้ทันทั้งสมมุติและประมัดทีนี้โลกโลกส่วนใหญ่จะรู้แค่สมมุติ ไม่มาถึงปรามัตดที่เราฝึกกันอยู่ก็คือฝึกมาดูปรามัตดให้เห็นของจริงแท้ๆไม่ใช่ของจริงเป็เพียงเพียงแค่สมมุติจากของจริงแท้ๆนี่จะเห็นได้ด้วยสติตอนที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นปรามัดเนี่ยจะเห็นด้วยสติไม่ได้เห็นด้วยวิญญาณธรรมดาล่ะไม่ได้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปก็จะเห็นแบบสมมติ แต่ก็เห็นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นเหมือนกันทีนี้รู้ด้วยสติมันจะไปเห็นลักษณะเฉพาะเฉพาะของแต่ละอย่างลักษณะเฉพาะเฉพาะของแต่ละอย่างมีศัพท์บอกไปก่อนง่ายๆสําสหรับคนที่อาจจะเคยฟังแล้วก็ทนฟังอีกนิดหนึ่งคนที่ยังไม่เคยฟังก็ทนทําความกระจ่าจอีกนิดหนึ่งสรุปแล้วต้องทนด้วยกันทั้งคู่ วิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะที่เห็นว่าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันราคะไม่เหมือนกับโทสะเพราะมันมีลักษณะไม่เหมือนกันราคะเป็นยังไงอยากได้อยากได้อยากได้มาเป็นของตัวเองชอบโทสะเป็นยังไงไม่ชอบก็อยากได้อยากทำลายอุดไม่ใช่ไม่มีไม่ใ่มีโทสะกับไม้นี่นะอยากทำลายผลักไป ไม่อยากให้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่อยากให้มันอยู่ร่วมในชีวิตอยากทำลายให้มันทาลายแบบหายไปแบบเที่ยงแท้ด้วยซ้ำเถาวรไม่จะเขียนคิวถาวรนะมันคือทลายถาวรความหลงเป็นยังไงลักษณะไม่เหมือนกับราคะและโทสะปกติความหลงคือไม่รู้ตัวใจลอยเมือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นความหลงที่คิดคิดไม่รู้จบ พิเ ป, สปะสปาความหดหูเป็นยังไงหดหูลักษณะของหดหูเราเคยหดหูก็จะรู้ว่าหดหูแล้วมันจะเป็นลักษณะที่ห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวเป็นยังไงห่อเหี่ยวคือหดหู อ, ธ, อธิบายแล้วงงแต่เคยถ้าใครเคยหดหูใครเคยหดหูบ้างเนาะจะรู้แล้วใช่ไหมว่าหดหูมันเป็นยังไงก็อย่างนั้น đấy. หุดหงิดเป็นยังไง รู้ใช่ไหมลักษณะหุดหิดลักษณะที่เปลืม้มปลืม้มเคยปลื้มไหมปลื้มเป็นเมตตามีไหมเมตตาศรัทธาลักษณะของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม่ใช่เพราะไม่ใช่เฉพาะรู้เฉพาะกิเลสนะรู้ในเรื่องกุศลก็ได้คุณภาพของใจเราเนี่ยมันเป็นไปได้หลายแบบเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลรู้ทันว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้ ฉะนั้นเวลาคนที่ฝึกใหม่ๆมันจะมีคําพูดภาคขึ้นมามีคําพูดภาคมาโกรธไปละหลงไปละอย่างนี้นะตอนนี้กําลังปลื้มกำลังปลืมปล้มตอนนี้กําลังโอดครวนมันจะมีคําพูดเข้ามาบรรยายว่าลักษณะของจิตขณะนี้คืออะไรคือมันแยกได้แยกได้เพราะอะไรเพราะมันมีลักษณะไม่เหมือนใครในแต่ละอยา่างมีเรื่องของนามาธรรมนะที่จิตกับเจตสิกอย่างรวมรวมกันอยู่ พอเห็นอย่างนี้เห็นไปบ่อยๆเข้ามันจะแยกได้ระหว่างจิตกับเจตสิกแล้วเพราะในขณะที่เห็นโกรธก็ดีเห็นโลภก็ดีเห็นราคะก็ดีเห็นปลื้มใจก็ดีเห็นฟุ้งซ่านก็ดีเนี่ยความแตกต่างของมันก็คือมันมีตัวที่ไม่เหมือนกันอยู่ชี่ว่าวิเศษลักษณะที่มันแปลกแปลกแตกต่างกันไปเนี่ยแต่มันมีตัวร่วมอยู่อย่างหนึ่งคือตัวรู้ตัวที่รู้ ตัวนี้จึงแยกออกมาว่าเป็นจิตส่วนตัวที่เข้ามาผสมโรงเป็นคุณภาพของจิตในขณะนั้นก็จึงเรียกว่าเจตสิกแยกออกไหมแยกมนะอาตมาบวชใหม่ๆนี่งงมากเลยนะอะไรเจตสิกครูบาอาจารย์สมัยน้นนันก็อธิบายว่าจิตกับเจตสิกก็เหมือนจิตก็เหมือนพระราชาเจตสิกก็เหมือนอมาก มหาเล็กทั้งหลายที่มารายงานให้พระราชาฟังว่ามีอะไรก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นไม่ได้ฝึกตอนนี้พอจะเข้าใจได้บ้างพอจะเข้าใจได้บ้างบางทีอธิบายแบบพระราชาบางคนอาจจะเข้าใจก็ได้นะยอมเข้าใจมเข้าใจนะพระราชาเนี่รู้เฉ ย, ยๆไอ้พวกนี้มารายงานเดี๋ยวมีเรื่องดีเดี๋ยวมีเรื่องร้ายนะสมมติว่ายิ่งเป็นเจ้า ว, วาดนะเจ้า ว, วาดเนี่ยจะรับเละเลย เดี๋ยวก็เกพระมาเดี๋ยวก็โยมมาเดี๋ยวกรรมาการมาเดี๋ยวเจ้านี่มารับรับรู้เรื่องราวต่างๆพระพระทีเป็นเจ้าวาดดีๆก็ต้องทําหน้าที่แบบจิตรู้เฉยๆถึงไหนแล้วเนี่ยรู้เอ่ารู้หลายแบบรู้แบบวิญญาณปกติรู้แบบสติรู้แบบจิตรู้อีกแบบหนึ่งรู้แบบปัญญา รู้แบบปัญญารู้แบบปัญญาเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พอดูๆไปเนี่ยจะเกิดความเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงกายนี้ก็ไม่เที่ยงใจนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์กายนี้ก็เป็นทุกข์ใจนี้ก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตากายนี้ก็เป็นอนัตตาคือมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจนี้ก็เป็นอนัตตา มีเหตุก็เกิดมโเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เป็นความรู้ที่เรียกว่าปัญญานี่ก็คือรู้ไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งตกลงเราคราวนี้เรามารู้อะไรบ้างแล้วเนี่ยรู้ทางวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกระดิ่คือรู้อารมณ์รู้ปรมาจุด้วยสตินะสติไม่ใช่รู้ว่านี่กล้องวิดีโอนุนก็กล้องวิดีโอหรือนี่ใหม่ไม่ใช่ รู้แสงสีถ้าเป็นรูปนะถ้ารู้ด้วยตาเนะีรู้ด้วยแสงเห็นแสงสีได้ยินด้วยหูเนะี่ยได้ยินเสียงคลื่นเสียงเอาคลื่นเสียงเท่านั้นทางจมูกได้เอ๊ะไม่ใช่ได้ยิน ไ, ได้กลิ่นะลิ้นก็ได้รสไม่ใช่ว่าเออัอนนี้ไก่ย่างอันนี้ส้มตํำเลยยังไม่ใช่นะรู้ลักษณะที่เป็นปรมัตาเป็นการรู้ด้วยสติรู้ด้วยจิต คือรู้อย่างเดียวรู้แล้วแยกออกจากเจตสิกได้รู้ที่เป็นปัญญาคือรู้ลักษณะลักษณะที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้มีศัพท์ไปแล้วใช่ไหมวิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะของแต่ละสภาวะแต่ละสภาวะลักษณะที่ปัญญาไปรู้มีศัพท์เรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะทั่วๆไปของสภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะมีรักมีเกลียดโลภหลงเมตตาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับดับไปพร้อมๆกับจิตนั่นเองเจตสิกที่มันมีอาการต่างๆมีรักมีชังมีราคะมีโทสะมีฟุ้งซ่านหดหูเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาศรัทธาวิริยะทั้งหมดนี้ เกิดแล้วก็ดับนะบางทีถ้าเรายังยอมไม่ได้ถ้าเรายังยอมไม่ได้จะยังไม่เห็นบางทีใจมันดีขึ้นมาใจมันเกิดดีขึ้นมาเราก็จะไม่ยอมให้มันดับทั้งทั้งที่มันจะต้องดับก็ออกแรงประคองเอาไว้จะไม่เห็นไตรลักษณ์ จะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเวลามันไม่ดีเราก็พยายามทำให้มันหายเร็วๆ เ, เราก็จะไม่เห็นไตร ล, ลักษณ์ว่ามันดับได้บังคับไม่ได้แต่เราจะรู้สึกว่ากูเก่งทำได้ทำไมมันจึงไม่เห็นสักทีเพราะเรามีจิตที่ยังไม่มั่นคงนะเล่ามาถึงตรงนี้คื อ, อยังเกลื่อนอยู่มนะั้เนี่ยยังเกลินอยู่นะอ่ะ ยังพูดถึงเรื่องภาษาริบุตรนะที่ถูกตีลหัวแล้วพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพจน์เข้ามาเพื่อเติมธรรมะให้เต็มก็คือท่านมีจิตที่มั่นคงจิตที่มั่นคงแล้วไม่หวันหว่นไหวจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวถ้าในส่วนของผู้ที่กำลังฝึกจะทำให้เห็นตัวลักษณะที่เป็นสามัญักษณะได้ ถ้าไม่มั่นคงไม่หวัน่นถ้าถ้าไม่มั่นคงคอยหวั่นไหวไปตามมันจะกลายเป็นอย่างที่หลวงว่อชาเรียกว่าน้ำไหลน้าไหลถ้ามังคับไว้กลายเป็นน้ำนิ่งเคยดีนท่านพูดถึงน้ำไหลนิ่งไหมน้ำไหลนิ่งคืออาตมาเข้าใจเองอาตมาเข้าใจเองว่าท่านกำลังอธิบายถึงส่วนที่จิตตั้งมัน่น ท่านบอกว่าเคยเห็นไหมน้ําไหลนิ่งน้ําไหลนิ่งน้ําไหลคือจิตที่มันไหลไปตามเรื่องราวต่างๆเหมือนกับเกิดตัญหาอะไรเราก็ไปตามตันหาน้ําไหลอันนี้ไหลก็รู้ไหมรู้นะคือรู้แบบชาวบ้านทั่วไปที่รู้ด้วยวิญญาณตามปกติรู้น้ํานิ่งรู้ไหม ก็รู้นะจิตรู้อารมณ์เดียวอยู่เสมอเห็นอะไรเห็นอารมณ์เดียวเห็นแต่รักไหมไม่เห็นเพราะเที่ยงเหมือนเที่ยงความเข้าใจว่ามันเที่ยงรู้อารมณ์เดียวนิ่งนิ่งไอ้น้ําไหลรู้ไหมไม่รู้เพราะจิตไม่มีคุณภาพพอไหลไปน้ําไหลนิ่งน้ําไหลนิ่ง น้ำไหลมิ่งคือเป็นแยกตัวรู้ออกมาปรากฏการต่างๆไหลไปแต่ไม่ไหลาตามจิตไม่ไหลาตามจิตไม่ไปตามสมมติสมมติว่ า, อ, าอะไรดีส่วนใหญ่พรูอาจารย์จะให้ดูพระ้าตตอนตอนดูพระหลอกดูเห็นไหมไม่ใช่พระนี้นะพร ะ, พระพระพุทธรูปพระพุทธรูปตอนที่ดูพระพุทธรูปดูไหมดูอยู่ระ อ ย, อย่าเพิ่งมาดูนี่สิดูนู่นนะตอนดูใจไปอยู่กับพระพุทธรูปไหมถ้ารู้ทันว่าใจไหลไปขณะนั้นใจกําลังนิ่งไอ้ใจใจกำลังเป็นแบบน้ําไหลนิ่งแต่ถ้าอยู่ที่พระกําลังไหลแต่ถ้าเพ่งที่พระน้ํานิ่งแยกออกไหมอธิบายงี้จะยากไปหรือเปล่าน้ําไหลนิ่งที่หลวงประชาท่านเทศก็ ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้อธิบายมากนะท่านเพียงแต่ยกขึ้นมาให้ลูกศิกษย์เนี่ยสกิดใจว่าไม่ใช่มีเฉพาะน้าไหลนะไม่ใช่มีเฉพาะน้าแข็งน้ำนิ่งนะมันมีน้ำไหลนิ่งด้วยคนทั่วไปก็จะไหลไปตามอารมณ์กลับเพ่งเอาไว้ไหลไปตามอารมณ์กลับเพ่งเอาไว้รู้ไหมก็รู้รู้แบบหลายๆคือรู้ด้วยวิญญาณปกติเพ่งเอาไว้ คือรู้แบบจิตที่สงชามทำสมาธิเรื่องจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ใหม่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนจะทำกันไม่ได้เว้นแต่พระปเจ ก, กับพะพุทธเจ้าเพราะอะไรเมื่อจิตที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นมันจะทำให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษ เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตจะมีความรู้ใหม่กลายเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่อันนี้มันจะสรุปขึ้นมาเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นมาอันนั้นก็ดับเป็นความรู้ที่สรุปรวบยอดของพระโสดาบัน สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปไม่เว้นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพอสบุรุกแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วพระพระสารีบุตรเวลาฟังธรรมะจากพระสัจจิสิ่งที่พระสัจจ์สอนไม่ได้บอกว่า สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับท่านบอกว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุทำเราได้เกิดแต่เหตุรตหตพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุของธรรมนั้นและแสดงความดับของธรรมนั้นแต่ความเข้าใจของผู้ฟังคือภาษาบุตรมาเข้าใจอย่างนี้คือเห็นเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทำเราได้คำสอนอีกแบบหนึ่งนะแต่ความเข้าใจ ขางในใจท่านสรุปใหม่แบบหนึ่งนั่นแสดงว่าท่านเห็นสภาวะไม่ได้สงใจคิดไกลลักษณ์จะเห็นได้ด้วยตอนที่ไม่คิดถ้าคิดตอนนั้นพลาดจากพลาดจากการเห็นด้วยปัญญานั้นการรู้วันนี้พูดถึงรู้หลายแบบมีรู้แบบปกติทั่วๆไป รู้แบบสติรู้แบบจิตเฉยเรู้แบบปัญญาแยกออกไหมรู้แบบปัญญานะคือรู้เห็นไตร ล, ลักษณะสามแบบคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้รายละเอียดในการเห็นนะตอนเห็นด้วยสติจะเห็นแบบแวบๆบแบบเห็นลักษณะ ที่เป็นปรมัตดไม่จะเห็นที่เป็นสมมุติย้ำบ่อยๆนะสติเห็นปรมัตดไม่ได้เห็นสมมุติปัญญาเห็นลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์คนปกติทั่วๆไปถ้าไม่ได้ฝึกเขาจะเห็นแบบไหนเขาจะเห็นดอกไม้ก็จะเห็นผลไม้และก็ไม่เห็นเฉยๆสิ่งนั้นเป็นเพียงตัวกระตุ้น ให้เขาคิดเรื่องอื่นต่ อ, ตอไปไม่สิ้นสุดด้วยคิดแล้วไม่สิ้นสุดเคยเป็นไหมอย่างเช่นอาตมาเวลาเห็นลงังส่าเห็นรังส่าเนี่ยตอนบวชใหม่ๆเห็นปุ๊บนึกถึงแม่วันนี้สิบสี่เลยวันแม่วันสองวันก่อนยากพูดถึงแม่นิดนึง <laughs> <laughs> เห็นรังส่าแล้วจะนึกถึงแม่เห็นภาพแฟลชแบ็กแฟลชแบ็กไปถึงตอนเด็กเด็ก แม่ซื้อลังสาดมาเราก็นั่งมองแม่ก็ถามอ้าวทาไมไม่กินและไม่ชอบเหรอชอบตอบไปนะชอบอ้าวชอบแล้วทําไมไม่กินลนะแม่เอาสาดซื้อมาให้ยางมันเยอะ <c ười> คือกินลังสาดไหมลังสาดก็ลองกองไม่เหมือนกันนะลองกองนี่ปอกง่ายลังสาดเนี่ยเราปอกอะไรมันเนะี่ยยางมันเยอะมากชอบกินแม่ก็ชอบแต่ยางมันเยอะแม่บอก แม่บอกแค่นี้ก็บอกไม่เป็นบ่นแล้วก็บอกให้ <c oughs> น้ำใจน้ำใจแม่นะปอกให้ไม่ได้ปอกกินเองปอกให้เรากินเห็นลง้งสาอาดอะไรนึกถึงแม่อย่างนี้ว่าซึ่งซึ่งน้ำใจแม่ว่าดูสิซื้อมาแล้วยังต้องแกะให้อีกกล <c oughs> ัวเราไม่ได้กินเป็นเป็นคนอื่นก็จะไม่ไม่เมตตาไม่กรุณาขนาดนี้ใช่ไมอยากกินก็กินแกะไม่เป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องกินอดไป แต่แม่เนี่ยซื้อมาเพื่อจะให้ลูกกินลูกกลัวยางไม่ยอมแกะเองแกะให้กินข้าวเหลือข้อาที่เหลือนะแม่กินต่อนะเราของแม่เหลือเราเราประเททิ้งเวลานึกถึงหลังศักดิ์เห็นหลังสัตด์ตาเห็นรูปแต่ไม่ได้ตีความว่าแค่รูปไม่ทันเห็นรูปที่เป็นปรามัดไปเห็น รางสา่าใจมันตีความไปแล้วว่าเป็นรางสา่าเห็นรางส่าปุ๊บนึกถึงแม่เลยนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเลยเหตุการณ์ใจคนมันเป็นอย่างนั้นนะนึกถึงเหตุการณ์ภาพในอดีตนึกถึงแม่มีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะแกะ่นุ่นแก่นี้มีบทสนทนาด้วยมีเสียงด้วยตอนนึกแบบมีบทมีสนทนามีเสียงมีความซาบซึ้งใจในในบุญคุณของแม่ขึ้นมาเหตุการณ์ไปตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเวลาก็ผ่านไปนะ จากตาเห็นรูปซึ่งเป็นปรามัดแต่จิตไม่ทันสติไม่ทันสติไม่ทันเห็นว่าเป็นเพียงแสงสีมีใจคิดนึกสรุปรวบยอดว่าเป็นลางศาสตร์มีอารมณ์คือสัญญากับขึ้นมาแทนใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างเห็นอะไรแล้วมันก็นึกถึงสิ่งสิ่งอดีตมีเรื่องราวปล่อยให้ปล่อยให้เลื่อนเข้ามาใจเราก็ไหลไปตามอย่างนี้เรียกว่า น้ำไหลน้ำไหลรู้รู้ไหมรู้นะรู้อารมณ์แบบแบบไหลไหลรู้ไปรู้ไปรู้ตัวขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาไม่เอาเพ่งเพ่งเอาไว้เพ่งที่ไหนเพ่งในวิหารธรรมของเราวิหารธรรมของเราคืออะไรเช่นดูลมหายใจดูลมหายใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่างนี้เรียกว่าอะไร ทำทำการบีบคั้นบีบบังคับให้จิตอยู่นิ่งๆถ้าบีบนิ่งได้กลายเป็นน้ํานิ่งเมื่อทันว่าน้ําไหลนิ่งเป็นยังไงไม่เห็นถ้ารู้ทันถ้ารู้ทันเมื่อกี้นี้เผลอคิดไปรู้ทันขณะนั้นขณะนั้นจิตตั้งมั่นครั้งหนึ่งถ้ากําลังบีบบังคับจิตอยู่รู้ทันว่ากําลังบีบบังคับ ตอนที่รู้ทันจิตตั้งมั่นครั้งง